บทที่สองความวิเวกพึ่งปลูกฝังให้เกิดทั้งกายวิเวกและจิตวิเวกขึ้นในตนเองกายวิเวกหมายถึงความสันโดษหรือการได้อยู่ตามลําพังอตมาไม่ได้หมายความว่าให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนแต่หมายความว่าพึ่งใช้เวลาอยู่กับตนเองให้มากส่วนจิตวิเวกหมายถึงการไม่ปล่อยจิตให้เที่ยวคิดโน่นคิดนี้ จึงมีสติตื่นตัวรับรู้อยู่ตลอดเวลาคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่ามีเพียงตอนที่เราหลับหรือง่วงงุนเสื่องมเท่านั้นที่จิตไม่คิดอะไรเลยเป็นเพราะเขาไม่รู้คุณค่าของความวิเวกนั่นเองตรงกันข้ามคนเรากลับชอบสแสวงหาสิ่งเรา้าจึงชอบอยู่ใกล้ใใผู้คนที่ทำให้ตนสนุกสนานได้ยามใดที่ขาดสิ่งเร้าก็รู้สึกเบื่อนาย แม้แต่ตอนที่กายได้อยู่ตามลำพังแล้วก็ตามคนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะอ่านหนังสือดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือเทปเพลงหรือมิฉะนั้นก็ปล่อยจิตให้คิดถึงสิ่งที่ทำไปแล้วบ้างสิ่งที่กำลังจะทำบ้างไม่เคยได้คิดเลยว่ายามที่มีโอกาสอยู่ตามลำพังโดยไม่อ่านหนังสือดูหนังฟังเพลง หรือปล่อยจิตปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับเรื่องอดีตหรืออนาคตนั้นมันมีประโยชน์มากเพียงใดความวิเวกผลิดอกออกผลเป็นปัญญาความวิเวกเพิ่มพูนพลังกระแสชีวิตรินหลังในความสนัดจากห้วงลึกแห่งจิตไร้คำบรรยายอื่นใดนอกนั้นหามีความสำคัญไม่ อาตมากลับมาถึงวัดป่าที่มหามีอายแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนทุกอย่างสงบสนัดเรียบง่ายไม่มีทายกทายกแปลว่าผู้ให้หมายถึงผู้อุปการะพิษุสงฆ์เช่นคนที่ใส่บาตรเป็นต้นในประเทศพมา่าก่อนที่ผู้ใดจะอุปสมบทเป็นพระพิสุผู้นั้นควรต้องมองหาทายกของตนเองก่อนเพื่อที่ว่า ้ายกผู้นั้นจะเป็นผู้อุปการะปัจจัยที่จำเป็นแก่ตนเมื่อบวชเป็นพิสุแล้วรายใหญ่มีแต่ชาวบ้านชาวนาชาวไร่ผู้คนที่สงบเสงี่ยมในสถานที่เรียบง่ายมีเพียงจิตใจของอาตมาเองที่ซับซ้อนที่นี่มีฝูงนกมากมายอาตมามักเพลิดเพลินกับเสียงนกร้องสายลมโชยผ่านแมกไม้เย็นสบายช่ำชื่นใจ ช่างเป็นโลกที่แตกต่างกับนครใหญ่อันแสนวุ่นวายอึกระทึกที่เพิ่งจากมามหานาครที่คราคร่ำด้วยมหาชนผู้คนใหญ่โตวชวนให้ยุ่งเหยิงที่นี่จึงน่าจเจริญกรรมาฐานกว่าอัตมาไม่ใช่คนที่คาดหวังอะไรสูงแค่อยากอยู่แบบง่ายๆเห็นอะไรๆ ไ, ได้ชัดๆอัตมาเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้เี่ยนใครก็ไม่ได้แม้แต่ตัวเอง แต่ตามดูได้อัตมาจะสากแต่ตามดูทุกอย่างหรือทุกคนโดยไม่หงุดหงิดขุนคล้องใดๆก็เราเป็นใครกันล่ะยายถึงต้องเอาป่าแบกโลกหนักๆเอาไว้บางครั้งอัตมาก็หวังจะมีกัลยาณมิตรสักคนที่อัตมาคุยด้วยได้จริงๆคนไม่น้อยเลยชอบมาหาอัตมาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามคนไม่น้อยเลย ชอบมาหาอัตมาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามคงเป็นเพราะพวกเขาสแสวงหาผู้ที่จะปลุกร้าวกระตุ้นเตือนหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เขาลงมือเจริญสติกันอย่างน้อยที่สุดก็ได้ฟังธรรมบรรยายที่คงจะแข็งกร้าวท้าทายซึ่งช่วยให้เขาหลีกจากความจำเจที่เคยคุ้นไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวละมังที่นี่ไม่มีใครสักคน ที่อาตมาจะแบ่งปันความคิดอ่านที่มีความหมายจริงๆด้วยได้เลยอย่างไรก็ตามอาตมาเรียนรู้แล้วที่จะเก็บความคิดต่างๆไว้กับตัวเองแล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบจริงอยู่โลกบั่นป่วนขึ้นทุกวันแต่เราจะทำอะไรได้หรือเมื่อทำไม่ได้จะเปลืองแรงเปลืองเวลาไปเสียอารมณ์กับมันทำไมฝนกำลังโปรยบางๆไร้วี่แววของสายลม พาให้จิตใจสงบได้ดีแท้ๆไ พ, พรพฤกที่นี่เติบโตขึ้นมากจากปีที่แล้วอีกสองสามปีข้างหน้าที่นี่คงพอจะเป็นป่างปรง่ปร ง, รงได้งามทีเดียวกรมป่าไม้ถวายที่ดินให้อัตมาราวราวแปดเอเคอร์ที่นี่มีน้ำพุธรรมชาติอากาศดียกเว้นกลางฤดูร้อนอาหารก็พอเพียงส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัตที่นี่อัตมามีทุกอย่างครบถ้วน เวลาจึงมีเหลือเฟือผู้คนไม่ค่อยมารบกวนอาตมาสักเท่าใดนอกจากสองสามคนที่คอยมาปัดกวาดเช็ดถูวัดห้องของอาตมามีหน้าต่างมุ้งลวดป้องกันยุงมีเตียงเก้าอี้นั่งสบายๆหนังสือยากระดาษปากกาพร่างพร้อมขนาดนี้แล้วจะมีอะไรต้องเป็นทุกข์อีกอาตมาพึ่งละเลียดจิตชาชันดีจะแก้วใบงาม รสชาติกับกลิ่นของมันเยี่ยมจริงๆกระตุ้นให้อัตมาสดชื่นฉลองเทศกาลชาเงียบๆคนเดียวฝนเริ่มหนาเม็ดขึ้นแล้วเท่าที่ทราบที่นี่เป็นแห่งเดียวที่ไม่เกิดความวุ่นวายข้าวยากหมากแพงกันไปทุกคนทุกแห่งยกเว้นที่นี่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีเงียบสงัดเสียงจิ้งหรีดสลับกับเสียงกระดิ่งคอวัวแววมาเป็นระยะ พระพิสุตต่างกระจายกันเจริญกรรมาฐานตามกุตติของท่านไม่มีแห่งหนใดสมบูรณ์แบบหรอกนะที่นี่นับว่าดีเพียงพอแล้วทั้งคนและพระต่างก็ดีต่ออัตมายามพระท่านป่วยอัตมาก็ดูแลท่านท่านเหมาเอาว่าอัตมาเป็นหมอถึงกระนั้นยาก็ช่างขาดแคลนเสียจริงๆป่านี้มีวัดป่าอยู่สามแห่ง วัดของอัตมาดูสงบสงัดที่สุดไม่ค่อยมีญาติโยมมาเยี่ยมบ่อยนักมีเพียงไม่กี่คนที่มาช่วยงานเฉพาะในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำคงเป็นเพราะเราไม่ได้ต้องการอะไรมากนักเราจึงมีทุกอย่างครบครันแล้วอันที่จริงอัตมาอยากจะได้หนังสือบางเล่มอีกแต่ยังหาไม่ได้คงจะต้องลดละความกระหายที่จะเพิ่มพูนปัญญาเสียทีกระมังแต่ละวันที่ผ่านไป ไม่แตกต่างจากวันวานเรามักจะเดินเล่นกับสติกันในตอนค่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักจนคล้ายกับว่าห้วงเวลาที่นี่หยุดนิ่งหรือช้าลงกว่าโลกภายนอกที่แสนวุ่นวายยุ่งเหยิงเราอยู่กันอย่างเงียบๆไม่มีอะไรสลักสาคัญจะต้องทำดูเหมือนปัญหาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเกิดจากจินตนาการของเราเองที่นี่สงบอยู่เป็นนิด มีฝูงนกเป็นเพื่อนมากมายไม่เคยมีความขัดแย้งไม่เคยมีปัญหาใดๆนอกจากเรื่องเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆ อ, อัตมาแข็งแรงดีไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆตลอดสี่เดือนที่ผ่านมาอัตมากําลังเรียนรู้วิธีดูแลตัวเองฉันผักให้มากฉันอาหารมันๆให้น้อยและฉันน้ําตาลแต่น้อยความสงบนี้ช่วยได้มากจริงๆที่นี่ดูจะเหมาะที่สุดสําหรับอัตมา ชีวิตที่นี่สงบและสงัดไม่มีการต่อสู้เพราะไม่ต้องมีกรรมการบริหารจัดการอย่างไรล่ะอาตมาเองก็ปล่อยวางความยึดติดในผู้คนและสิ่งต่างๆลงไปได้มากด้วยวันนี้เมฆหม่นครึ้มคลุมท้องฟ้าฝนโปรยพรมพรมไปทั่วความเงียบสงัดโอบล้อมทุกขนแห่งแววเสียงนกร้องสอดประสานใบไม้แห้งปลิดปลิวร่วงหล่นลงคลุมดิน ทิ้งให้ปนไม้อ้าแขนเปลืยเปล่าเริงร่ารับหยาดพิรุนร้อนและแห้งแลง้งไม่เคยเป็นปัญหาเพียงสลัดผลัดใบจนหมดสิ้นอีกไม่นานยอดใหม่จะปริรับฝนแรกที่มาเยือนตอนนี้อากาศเริ่มหนาวรับเหอมันที่กลายเข้ามาเรารับเช้าตรู่ด้วยอุณหภูมิ58องศาฟ า, รฟาเรนไฮฟ้าเปิดมีเพียงหมู่เมฆฟูฟ่องประปรายที่ปลายฟ้า อากาศเย็นเยียบราตรีของคืนเพ็ญช่างสงบงดงามดีแท้เมื่อคืนก่อนอัตมาไปเดินเล่นตามลำพังเอเจ้าความกังวลห่วงหาอาธรมันหายหน้าไปไหนหมดที่ยังมองหาที่ไหนก็ไม่พบมันคงเป็นแค่จินตนาการกระมังอรุณเบิกฟ้าแล้วตอนนี้สี่นาฬิกาสี่สิบห้านาที นกเริ่มขับขานเพลงกันแล้ววัดเรามีนกอยู่หลายร้อยตัวเป็นนกร่าเริงทั้งนั้นอาจเป็นเพราะอากาศร้อนในช่วงนี้หมูนกจึงชอบเล่นน้ํากันยกใหญ่อัตมาตักน้ําใส่อ่างดินเผาขนาดย่อมๆสองใบให้นกดื่มกินกับอาบน้ําแค่เฝ้ามองพวกมันร่าเริงกับน้ําในอ่างดินก็เป็นสุขแล้วอัตมายังโปรยข้าวเลี้ยงมันทุกวันอีกด้วย นกก็เลยยกขยงมากินข้าวกินน้ํากันยกใหญ่แต่ก็ไม่ได้มากินเปล่าเปล่าหรอกพวกมันแลกเปลี่ยนด้วยการร้องเพลงให้ฟังแล้วยังสอนให้อัตมาปล่อยวางความกังวลให้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะเลิกคิดมากเลิกฟุ้งซ่านยอมรับชีวิตอย่างที่มันเป็นและเตรียมพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อกล่าวกันว่าชีวิตเป็นเรื่องยาก ก็ใครว่าง่ายกันละ่ะแต่เราก็เบิกบานและเรียนรู้จากชีวิตได้มากมายหรือหากจะเลือกอีกคนทางหนึ่งเราก็ลุกออกไปจากการเวียนเกิดเวียนตายนี้ได้ม้าหมุนในส่วนสัตว์หรือไงตอนนี้อัตมา ก, กำลังนั่งอยู่บนระเบียงกุฏิเล็กๆของอัตมารอบๆตัวงเงียบสงบแว่วเสียงนกเขาคู่หนึ่งกูหากันจากต้นไม้ไกลออกไปสลับกับเสียงลมโชยผ่านไ พ, พรพฤกษ์ สโมงเย็นแล้วเพิ่งอาบน้ําร้อนๆมาใหม่ๆเลยกะว่าจะพักสักครู่บางครั้งอัตมาเคยคิดจะไปมองหาถ้าสักแห่งบนภูเขาเพื่อแยกไปอยู่ตามลําพังแต่ไม่เคยมีอะไรทําให้เราพึงพอใจได้อย่างแท้จริงหรอกอัตมาเพียงแค่อยากอยู่อย่างเงียบสงบจึงได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความรับผิดชอบทั้งปวงสิ่งที่โหยหามีเพียงแค่ความสงบอิสระภาพ และโอกาสเข้าใจชีวิตให้ลึกซึ้งอัตมาไม่เคยสนใจว่าจะต้องมีผู้คนหรือสานุสิ์ห้อมล้อมไม่สนใจชื่อเสียงใดๆอัตมาจึงอยากให้คุณเข้าใจวิถีชีวิตของอัตมาเรียบง่ายสงบสงัดอยู่กับสมบัติเพียงน้อยชิน้นอัตมามักแจกจ่ายสิ่งที่ได้รับมาเป็นทานเสมอฉะนั้นหากไม่ได้ขออะไรจากคุณ ก็แปลว่าสิ่ง น, นั้นไม่มีความจำเป็นต่ออัตมาเลยจริงๆการอยู่กับสมบัติน้อยชิ้นช่วยให้จิตของเราเบาสบายกาลยานิมิตของอัตมาคือหนังสือดีๆทั้งหลายเช่นของเรวกันทอโรเรียวกันกวีชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นพระนิกายเซนเทโรเฮนรี่เดวิดเทโรนักคิดชาอเมริกัน ผู้ประพันธ์ Civil Disobedience Seno และพระวินัยปีดกซึ่งเป็นครูของอัตมาคุณเองก็น่าจะได้อยู่ในสถานที่ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายๆจิตใจปลอดโปร่งเป็นอิสระโดยเฉพาะอิสระจากความคาดหวังของคนอื่นได้อยู่ในสถานที่ที่เป็นตัวของคุณเองได้เต็มที่ไม่ต้องคอยพูดหรือทำอะไรๆเพื่อเอาใจใคร อาตมาได้เรียนรู้การอยู่อย่างวิเวกบางครั้งอาตมาก็อยากพูดอยากเล่าถึงความเข้าใจอันดื่มด่ำลึกซึ้งที่ประสบมาแต่มันยากที่จะพบใครที่รู้ว่าควรจะฟังอย่างไรเข้าใจอย่างไรและชื่นชมอย่างไรส่วนใหญ่อาตมาเป็นผู้ฟังคนส่วนมากชอบพูดให้อาตมาฟังอาตมาเพิ่งกลับจากไปเดินเล่นในป่าเงียบดีจริงๆไม่พบใครสักคน มีแต่นกเท่านั้นแหละที่ร่าเริงผู้คนส่วนใหญ่หมองมนอาตมาต้องเพียรพยายามแยกตัวเองให้โดดเดี่ยวออกจากโลกให้ได้ยิ่งปีนป่ายเขาสูงขึ้นไปเรายิ่งพบผู้คนสัญจรน้อยลงทุกทีทุกทีผู้ที่ใช้ชีวิตบนเขาสูงทนความปราบเปรียวกันได้อย่างไรนะอาตมาใช้ชีวิตเรียบง่ายและสงบวัดป่ามหามีอานี้มีพิษุสามรูปทุกรูป สุขอยู่กับความพอเพียงและดื่มด่ำกับการตามดูจิตของตนการเฝ้าดูความเป็นไปในจิตของตนเองเป็นหนทางสายเดียวสู่การมีสติที่ดีแต่ละวันอัตมาจะอ่านหนังสือประมาณสองถึงสามชั่วโมงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเจริญสติตกเย็นก็ออกไปเดินเล่นพูดคุยกับมวลมิตรที่นี่เงียบสงบจริงๆฟังเสียงนกร้องกับเสียงจิ้งรีดก็เพลินแล้ว ผู้คนล้วนเป็นคนดีและเป็นมิตรแต่ก็ใช่ว่าอาตมาจะสุขอยู่ได้ตลอดเวลามีบ้างเหมือนกันที่รู้สึกเศร้าใจเพราะช่วยเหลือลูกๆให้ดีไปกว่านี้ไม่ได้อย่างไรก็ตามอาตมาคงไม่มีวันลาศิกขาแน่ๆอาตมารักการบวชเป็นพระและรักการที่จะอยู่ป่าธรรมชาติแท้ๆของอาตมาคงจะเป็นเรือีอาตมายังชอบคุยกับหมู่มิตรสหาย ที่มีเรื่องน่าสนใจจริงๆมาเล่าสู่กันฟังและยังพึงพอใจที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่จเจริญสติชีวิตที่ขาดสิ่งเหล่านี้ไปจะเหลือคุณค่าอะไรเช้านี้ตะวันช่างงดงามทอลําแสงสีทองส่องผ่านหมู่เมฆลงมาเหมือนอยู่ในแดนแห่งหมนคลังที่นี่งดงามมากมายจนเกินพอแม้มันจะมีให้เห็นเพียงชั่วครู่ชั่วยามก็ไม่เห็นจะเป็นไร คุณรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ในชีวิตบ้างไหมทุกอย่างรอบๆตัวเรารู้ไนเป็นความมหัศจรรย์อาตมาเองก็เป็นความมหัศจรรย์คุณเองก็เป็นความมหัศจรรย์อาตมาทึ่งในความมหัศจรรย์ของทุกสรรพสิ่งมีคนกล่าวว่าชีวิตเป็นเรื่องสุดจทนก็อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ชีวิตหน้ามหาัศจรรย์นี้มันสุดจะทนตรงไหนหรือบางครั้ง อาตมารู้สึกมีชีวิตชีวาและเป็นสุขที่ยังมีชีวิตอยู่หวังอีกด้วยว่าจะมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนอาตมาเพิ่งจะเรียนรู้การเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองชีวิตใหม่ของอาตมาเพิ่งจะเริ่มต้นเริ่มชื่นชมตนเองชีวิตใหม่พวกคุณลูกๆและแม่ของเขามวลมิตรสหายที่นี่ตลอดจนฟ้าครามเมฆขาว ไพรพฤกฝูงนกอัตมากำลังหลงรักชีวิตฟังดูคล้ายๆอัตมาจะนอกรีดนอกรอยไปแล้วอัตมาไม่ได้เกลียดชีวิตจริงอยู่ที่ชีวิตเป็นทุกข์แต่ทุกนั้นก็คือค่าตอบแทนที่เราต้องจ่ายเป็นค่าชีวิตอัตมารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณชีวิตและขอบคุณสําหรับทุกๆความเจ็บปวดและอิ่มเอมเปรมใจที่ชีวิตมอบให้อัตมา มันยังไม่หมดเพียงแค่นี้แน่ๆกอไผ่ข้างๆกุฏิหลังน้อยของอาตมาพึ่งแทงหน่อไม้ขึ้นมาสิบห้านออบอ้วนแข็งแรงน่ารักอาตมาเฝ้ามองมันทุกวันดีใจที่เห็นมันค่อยๆเติบโตแข็งแรงอาตมารักมันมันเป็นความผูกพันชันญาติอาตมาได้รับหนังสือบทกวีที่คุณส่งมาถวายแล้วนะ The Mountain Proms of Stonehouse o ดนเฮาส์ชิงกง 1,272-1,352 เกิดในตอนปลายของราชวงศ์ซุงใต้บทกวีของท่านเรียวกันและของโคเมลเทนเป็นที่นิยมกันมากในซีกโลกตะวันตกไม่นานมานี้ในสหรัฐอเมริกาได้มีการรวบรวมกวีนิพนธ์ของชิงกงขึ้นจัดพิมพ์เป็นหนังสือเมลเทนโพรมส of s ฟ o n e เฮ u s ์ คุณรู้ดีเสมอว่าบทกวีแบบไหนจึงตรงใจอาตมาอาตมาชอบสโตนเฮ u ส์มากพอๆกับเรวกันตอนนี้ทั้งสองเล่มก็วางอยู่ข้างๆอาตมานี่แหละจะได้หยิบขึ้นมาอ่านบ่อยๆหรือจะพูดว่าอาตมาหายใจเป็นมันก็คงได้อาตมาเพิ่งจะรินชาสมเพิ่มอีกถ้วยอ่าช่างหน้ามหาัศจรรย์จริงๆวันนี้แดด ด, ดีจริงๆฝูงนก ตื่นเต้นกันยกใหญ่ส่งเสียงร้องเรียกกันไปมานกมันช่างร่าเริงกับชีวิตไม่เหมือนคนเราที่เอาแต่หมองมนพร่ำบน่นไม่เคยพึงพอใจและส่วนใหญ่ยังหดหูซึมเศร้าชั่วชีวิตของอาตมายังไม่เคยเห็นนกหดหูซึมเศร้าสักตัวเดียวอาตมาคงต้องเรียนรู้โดยเอานกเป็นครูแทนที่จะเรียนรู้จากมนุษย์ที่หดหู่หน่าเบือ่อ ไม่เคยสำนึกบุญคุณอัตมาเพิ่งกลับจากเดินเล่นแดดอุ่นๆกับสายลมเย็นๆช่วยให้สบายดีแท้ๆอยู่กับธรรมชาติในท่ามกลางธรรมชาติอัตมารู้สึกกับปรี้กระเป่าช่วงที่ผ่านมาอัตมาเริ่มออกกำลังกายมาได้ระยะหนึ่งแล้วกล้ามเนื้อจึงแข็งแรงมีพลังน้ําหนักคงจะเพิ่มขึ้นคงต้องออกกาลังกายเพิ่มขึ้นอีกเพื่อเผาผลาญไขมัน อาตมาอ่านจดหมายของคุณกว่าสิบเที่ยวแล้วมีเวลาเหลือเฟือที่จะอ่านและครุ่นคิดอาตมาอยากรู้ว่าคุณพยายามจะบอกอะไรคงจะอ่านไปอีกเรื่อยๆจุดประสงค์คืออยากจะเข้าใจกลยานิมิตทั้งหลายของตัวเองให้ลึกซึ้งอาตมาจะใช้ทั้งชีวิตทำความเข้าใจตนเองเข้าใจมิตรสหายครอบครัวและลูกสาวทั้งสองถือเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องทาก่อนสิ่งอื่น เรื่องอื่นค่อยว่ากันหากจําเป็นอัตมาจะไม่ถือว่าตนเองประสบความสําเร็จจนกว่าจะเข้าใจตนเองและบุคคลอันเป็นที่รักได้ดีแล้วทุกวันนี้อัตมาไม่ได้ให้ความสําคัญแค่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโลกทัศน์ภายนอกโลกทัศน์ภายในก็เต็มอิ่มไปด้วยความมหัศจรรย์ยิ่งอัตมาเข้าใจและชื่นชมผู้ที่ใกล้ชิดมากขึ้นเท่าใดชีวิต ก็ยิ่งเปลี่ยนความหมายมากขึ้นเท่านั้นน่าเหลือเกินกว่าอัตมาจะเห็นสัจธรรมข้อนี้ได้ที่กล่าวกันว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุสี่สิบนั้นจริงทีเดียวสำหรับกรณีของอัตมาเพราะรู้สึกเหมือนเริ่มเป็นหนุ่มชกกันกระตือรือรน้นเริ่มมองทุกอย่างในมุมมองของตัวเองและรู้สึกในแบบของตัวเองอัตมาเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตผู้คนใกล้ชิด โลกที่เราอาศัยอยู่ตลอดจนสพรพพสินทั่วไปทราบซึ้งในความห่วงใยและความช่วยเหลือที่ผู้คนมีต่ออัตมาสึงใจในความช่วยเหลือและความเมตตาการุณ น, นั้นมันเป็นความสำนึกในบุญคุณซึ่งแต่ก่อนแต่ไรอัตมามักไม่เคยใส่ใจจะกล้าสาบส่งชีวิตตัวเองอย่างไรได้จะพร่ำบน่นด้วยว่าชีวิตไร้ความหมาย ในเมื่อชีวิตช่างมหัศจรรย์ป่านี้หากสิ้นชีวิตลงอัตมาก็อยากตายไปพร้อมกับหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกบุญคุณมากกว่าจะตายไปกับความขมขื่นขอบคุณจริงๆสำหรับความห่วงใยและแบ่งปันของพวกคุณอัตมาดีใจที่เราเขียนจดหมายถึงกันได้ขอขอบคุณการไปสีมันช่างมีค่าเหลือเกิน มีเพียงไม่กี่คนที่มีความหมายยิ่งต่ออาตมาพวกคุณคือหนึ่งในนั้นเราคบกันมากี่ปีแล้วนะสิบปีเห็นจะได้กระมังอาตมารู้สึกสนิทใจที่จะเล่าอะไรต่อมิอะไรรวมทั้งความคิดงี้เง่าทั้งหลายให้พวกคุณฟังอย่างสบายใจเพราะรู้ว่าอย่างไรเสียคุณก็จะไม่ประเมินค่าอาตมาแบบผิดๆอาตมาเริ่มรู้สึกเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น และแทนที่จะวางเฉยได้มากขึ้นกลับรู้สึกรักลูกๆและแม่ของเขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพิสูจนที่ดีย่อมไม่ควรยึดติดใช่ไหมเป็นอันพิสูจน์แล้วว่าอาตมาคงไม่ใช่พิสุที่ดีนะักอย่างไรก็ตามอาตมาก็ยังเป็นมนุษย์และไม่ใช่คนเลวร้ายหวังว่าเช่นนั้นนะไม่เป็นไรคุณคงเข้าใจพิสุโง้อ ง, งรูปนี้ เมื่อครูน่นี้ตะวันรับฟ้ากับปุยเมฆสีทองงดงามแท้สุดจะบรรยายได้อัตมาสำเนียกได้ถึงเสียงเพียกจากไพรพฤกในที่สุดก็ต้องยอมรับความจริงเสียทีว่าธรรมชาติแท้ๆของอัตมาคือฤาษีชีไพรพอกันทีกับทางโลกปล่อยมันไว้ตามลำพังก็แล้วกันคุณพบสถานที่ ที่คุณจะอยู่อย่างเป็นสุขและพอใจไปจนตลอดชีวิตหรื อ, อยังอัตมายังหาไม่พบแต่ก็หวังจะพบเข้าสักวันทุกหนทุกแห่งยังคงเป็นหลักแหล่งพักเพียงชั่วคราวสำหรับอัตมาขอเพียงพบสถานที่วิเวกและเงียบสงัดหวังหวังและหวังคุณเล่าว่าคุณชอบจิตกรรมจีนอัตมาก็ชอบเหมือนกัน ถ้าคุณมีภาพจิตกรรมจีนเหลือเฟือโปรดส่งมาเผื่อแผ่กันบ้างนะนอกจากนี้อัตมา ย, ยังชอบจิตกรรมโบราณของญี่ปุ่นประเภทภูผาใหญ่กระสายน้ำตกกระท่อมน้อยกลางทุ่งนากระท่อมปีกไม้หรือฝาไม้ไผ่สวนญี่ปุ่นเรียบง่ายและดูสงบคุณเองก็สร้างสวนญี่ปุ่นขึ้นมาได้สวนเล็กๆที่มีทางเดินโรยกรวดวางมานั่งหิน หรือปีกไม้เรียงรายด้วยพุ่มไม้ดอกกอไผ่ซากุระหรือเมเปลิลขุดสะหรือลำธารเล็กๆให้ไหลผ่านตรงมุมใดมุมหนึ่งของสวนกว่าจะจัดสวนสวยให้สำเร็จได้ต้องใช้เวลามากโขเหมือนกันถ้าเช่นนั้นเอาแค่จำลองสวนย่อมๆลงในกระถางหรือกล่องสักใบก่อนดีไหมเป็นสวนขนาดจิ๋ว คุณอาจจะเลือกปลูกพวกตะไคร้มอสใส่กล่องหรือที่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านก็ยังได้ทำงานออฟฟิศทุกวี่วันมันก็คงน่าเบือ่อคุณต้องหาอะไรสร้างสรรค์ทำบ้างอัตมาชอบนั่งดูภาพเขียนทิวทัศน์อันสันโดษของจีนอยากจะท่องลึกเข้าไปในคุณเขาแล้วปักหลักอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านที่เรียบง่ายสงบสงัดคงจะทำได้สักวันโลกนี้ปั่นป่วนยุ่งเหยิงขึ้นทุกวัน ความกระหายไม่เคยอิ่มกับความไม่พึงพอใจในอะไรสักอย่างลุกลามรวดเร็วยิ่งกว่าไฟป่าระบาดกว้างรวดเร็วเหมือนโรคติดต่อเหลือเพียงคนจำนวนน้อยนิดที่ยังตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาแห่งโบราณการซึ่งเรียบง่ายและพอเพียงวัฒนธรรมตะวันตกกลายเป็นค่านิยมไปแล้วฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ฟ้าปิดไร้ดวงตะวัน มีแต่เมฆมืดครึมและอากาศหนาวเหน็บต่อฐานใบย่อมของอัตมากำลังลุกโชนช้าๆหลังอาหารอัตมาจิบชาใส่น้ำตาลเสียบที่อุดหูแล้วก็ลงนั่งอ่านบทกวีโคลมาอลเทนหานซันไม่ทราบช่วงชีวิตที่แน่นอนของท่านทราบจากตำนานเพียงว่าท่านเป็นพระเซนในราชวงศ์ถังชีดดีคือสาวกคนหนึ่งของท่าน ทั้งสองตางเป็นสิทธิของบรมคูฟงกังแห่งวัดกวชิงบนภูเขาเทียนไทบุคคลทั้งสามนี้ได้รับการขนามนามว่าเป็นสามดาบทแห่งวัดกอชิงซึ่งมีตำนานกล่าวถึงอยู่มากมายท่านหานซันใช้ชีวิตสันโดษบนเขาโคเมาเทนจึงมักเรียกขานท่านในนามหานซันโคเมาเทนท่านหานซันและท่านชีดี รับหน้าที่ดูแลงานเล็กๆน้อยๆในวัดและใช้เวลาว่างๆแต่งบทกวีและลำนำบทสวดมนต์ใช้ชีวิตแปลกๆแต่เรียบง่ายสบายๆต่อมาบทกวีโคเมาเทนของท่านได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ลงนั่งอ่านบทกวีโคเมาเทนอย่างเพลิดเพลินนี่คือหนึ่งในบทที่อัตมาโปรดปรานลงนั่งณภูผาเย็นเยือก เลือกรังอยู่มากว่าสามสิบปีตามฝันมาฝังตัวอยู่แสนไกลเทียนไท ย, ยายต้องกล่าวอื่นใดให้ป่วยการเสียงลิงหุบผาครวนมาในหมอกหนาวประตูยากกลืนเข้ากับสีสันแห่งภูผาเก็บใบไม้มุงหลังคากระท่อมกลางไพรสนสองมือขุดสระรับสายชนจากทานใส เพลิดเพลินอยู่ไปอย่างไร้โลกไร้โศกเก็บใบไม้กับเวลาที่เหลืออยู่ผายเยือกยิ่งงดงามยามก้าลึกนึกไม่ถึงกลับไร้ใครมาเยือนเมฆขาวอ้อยอิงเคลียคลอผาชันยอดผาเสียดฟ้านั่นลิงจับเจ้าคลำครวนเรายังต้องการมิดใดอีกหรือนี่ทุกวันนี้คือทางเดินที่ไฝ่หา รูปโฉมเปลี่ยนไปกับกาลเวลารักษาพระพุทธคุณดุดมุกงามในดวงใจปราดผักสฉันออกด้วยรังเกียจฉันเองเบียดคนโง่งมออกไปห่างช่างเถอะจะปราดหรือโง่งมก็ล้มเลิกไม่ใส่ใจตั้งแต่นี้ราตรีการจะร่ายเพลงกล่อมแข้ไขอรุณใสยจะร่ายรำกับเมฆขาว หรือให้เก็บเสียงเก็บมือนั่งบื้อเป็นท่อนไม้ปล่อยผมหงอกรุ่ยไร่ปลิวสยายกับสายลมอาตมาชอบจีนโบราณคงจะเคยเกิดเป็นชาวจีนในสมัยนั้นละมัง่งเฝ้าวเวียนอ่านบทกวีโคลมเอลทนซึ่งเป็นบทที่โปรดปรานครั้งแล้วครั้งเล่าอาตมาใช้ชีวิตที่นี่ตามที่ปรารถนาออกบินทบาทในตอนเช้าฉันวันละมื้อเดียวตอนแปดโมง แล้วก็ใช้เวลาที่เหลือกับการเดินนั่งอ่านหนังสือคุ่นคิดและเจริญกรรมฐานนี่คือทั้งหมดที่อาตมาปรารถนาจะทำในชีวิตนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือที่แห่งหนใดอาตมาเข้าใจความยึดติดของตัวเองและกําลังเรียนรู้ที่จะละลดปลดวางมันเราแบกความยึดติดไว้จนหนักอึ้องตัวเราของเรา เมื่อใดที่ความยึดติดเบาบางลงเราจะอยู่ได้อย่างสบายในที่สงบสงัดเวลาอ่านบทกวีแบบนี้อัตมามักวาดภาพไปด้วยบางครั้งก็วาดภาพว่าอัตมาพาผู้คุณไปเดินเล่นในป่าเชื้อเชิญให้คุณรู้จักกับความเงียบสงัดไพร่พลึกฝูงนกนานาพันธุ์ทั้งนกนักร้องกับฝูงไก่ป่าดื่มดำกับความสุขสงบ ที่จะไม่มีวันได้พบหากต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนที่อารมณ์บูดเน่าตลอดเวลาไม่กับเรื่องนั้นก็เรื่องนี้กับธรรมชาติและสัตว์น้อยใหญ่มันคือความสัมพันธ์อันไม่ต้องพึ่งพาคำพูดใดๆอัตมาระลึกถึงพระพุทธองค์บ่อยครั้งยังเก็บภาพพระพุทธองค์ทรงสมาธิขนาดโปสการ์ดไว้เสมอทรงประทับใต้ต้นไทรใหญ่ที่สยายรากรุ่ยร่าย ลงจากกิ่งก้านเจ้ากระต่ายน้อยหมอเฝ้าอยู่ไม่ไกลถัดออกไปคือกอบัวสล่างในทะเลสาบโบราณไกลออกไปอีกฟากฝั่งคือปลาใหญ่และขุนเขาจันเพนทอแสงนวลเหนือยอดคีรีทั้งยังทอดเงาระยิบระยับลงเหนือผิวน้ำรอบกายคือความสงบสงัดณที่แห่งนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นบรมครูของอัตมาทรงดื่มด่ำในความสงบไร้ความโลภความโกรธความโอ้อวดถือดีความอิจฉาริษยาและความหลงใดๆช่างเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความสงบที่สมบูรณ์แบบพระภักชายกระจ่างนวลด้วยแสงเรืองขาวพระวรกายนุ่มเนียนผ่อนคลายไร้วี่แววเคร่งตึงอัตมาเองก็นั่งอยู่ใต้ร่มมาอีกต้น ไม่ใกลไม่ไกลจากพระองค์แม้นจะไม่อยู่ในภาพนั้นเป็นความสงบสุขเหลือเกินคุณจะมาร่วมด้วยก็ได้ถ้าสนใจจินตนาการช่างมีพลังนะักยามใดที่คุณจินตนาการถึงสภาวะที่เงียบสงบจิตของคุณก็เข้าสู่ความเงียบสงบนั้นได้ในทางกลับกันหากคุณจินตนาการถึงเรื่องสยองขวัญมันก็ผลักดันให้คุณกลัวเกือบตายเช่นกัน เมื่อคุณเลือกได้ก็ควรเลือกจินตนาการถึงความสงบสงัดเช่นการได้มานั่งเจริญกรรมฐ า, านใกล้ๆพระพุทธองค์จินตนาการไปถึงรายละเอียดในที่แห่งนั้นลึกเข้าไปในขุนเขาเยือกเย็นสงบสงัดได้อยู่ใกล้พระพุทธองค์เพียงแค่เอื้อมจนสัมผัสความสุขสงบเย็นมั่นคงปลอดภัยและไร้ซึ่งมนทินทั้งปวงได้ ลองเลือกบทกวีบางบทที่อ่านแล้วทำให้ใจสงบเย็นคัดลอกใส่สมุดเล่มเล็กๆพกติดตัวไว้บ้างก็ดีอัตมาเพิ่งกลับจากเดินเล่นสามทุ่มครึ่งแล้วคืนนี้จันร์กระจ่างเมื่อคืนเพิ่งจะเป็นคืนเพนดวงจันร์จึงยังกลมสวยอากาศชื้นเ ย, ย, ย็นยะเยียบฝนเพิ่งจะขาดเม็ดสวยงามราวกับไม่ใช่โลกมนุษย์ จันกระจางตาอยู่เหนือ ย, ยอดไม้คืนนี้อากาศเย็นสบายกุฏิชั้นเดียวที่อัตมาอาศัยอยู่ตามลำพังมีขนาดกว้างแปดฟุตยาวสิบสองฟุตพระพิสุอีกสองรูปแยกกันอยู่คนละกุฏิไม่ไกลนักท่านทั้งคู่เป็นนักปฏิบัติที่ดีใกล้กุฏิของอัตมามีสระน้ำขนาดย่อมๆซึ่งนอกจากจะมีกอไม้น้นานานาพัานแล้ว มแมลงน้ำมากมายก็แหวกไหวกันอยู่อย่างเบิกบานยามคำ่ำอัตมาจึงชอบมายืนมองเจ้ามแมลงเหล่านั้นเมื่อวานอัตมาเห็นสมาชิกเพิ่มเป็นลูกอสสองตัวด้วยที่นี่เราไม่มีไฟฟ้าใช้จดหมายฉบับนี้จึงเขียนขึ้นใต้แสงเทียนอัตมาชอบนักเพราะมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายผู้คนที่นี่ดีต่ออัตม า, มากทีเดียวพวกเขาเชื่อว่า ทุกๆอย่างดีขึ้นตั้งแต่อัตมาย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่อัตมาล้มป่วยลงเมื่อหลายวันก่อนผู้คนต่างพากันนำอาหารมาถวายหมอก็มาอัตมาไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่เขาห่วงกังวลกันมากไปเองเป็นโชคดีที่อัตมาได้อยู่ท่ามกลางคนที่รักใคร่อัตมามากเหลือเกินที่นี่อัตมามีทุกอย่างที่ต้องการครบถ้วนแล้ว หากขาดแคลนอะไรอตมาจะบอกให้พวกคุณทราบอตมาเคยชินแล้วกับการประหยัดทุกอย่างแม้แต่น้ําฝนที่ได้มาฟรีๆและมีเนืองหนองล้นเหลืออตมาก็ยังกระเมิดกระแมมใช้มันกลายเป็นนิสัยไปแล้วอตมาเคยใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านไกลโพ้นที่ขาดแคลนไปทุกอย่างแม้กระทั่งน้ําก่อนหน้านี้อตมางีบหลับไป พอตื่นขึ้นมาก็เลยออกไปเดินเล่นวันนี้เมฆครึม้มเดี๋ยวฝนก็คงจะเทลงมาเพราะได้ยินเสียงฟ้าคำรามแล้วฝนตกติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์แล้วชาวนาถึงดีใจกันยกใหญ่ฝูงนกก็เช่นกันมันต่างพากันร้องเพลงและเรียกหากันเจ้านกนักร้องตัวจ้อยก็กำลังเล่นน้ำอยู่ที่อ่างดิน ชีวิตดําเนินไปตามขันลองของมันเพราะอัตมาเคยหมกมุ่นอยู่กับความคิดว่าชีวิตควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อัตมาจึงหงุดหงิดมาตลอดตอนนี้อัตมาตัดสินใจแล้วว่าจะทําเท่าที่ทําได้และปล่อยให้ที่เหลือเป็นไปตามทางของมันทุกใจไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนราวต่างความคิดความเห็นจึงต่อสู้กันไม่หยุดหย่อนปล่อยให้เขาสู้กันไป แต่อัตมาคงไม่ร่วมวงด้วยอัตมาจะไม่ยอมให้ใครมารบกวนจิตใจได้อีกวันนี้บรรยากาศงดงามเมฆขาวลอยฟ้องบนผืนฟ้าสีครามเข้มมีฝนพรมพรมลงมาบ้างเป็นครั้งคราวฟ้าขนองอยู่ไกลๆแต่รอบกายคือความเงียบงนันอัตมามีทุกอย่างที่ต้องการหนังสือสำหรับอ่านอาหารก็เพียงพอกุติสบายสบาย และผู้คนก็ปล่อยให้อัตมาได้อยู่ตามลําพังไม่มีเหตุผลใดที่จะเป็นทุกข์ความไม่รู้จักพอเพียงเป็นโรคภัยอย่างหนึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองนั่นแหละที่สร้างทุกข์ให้กับตนเองความไม่รู้จักพอเพียงเป็นโรคภัยชนิดหนึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวหรอกว่าตนเองนั่นแหละที่ทําให้ตนเองเป็นทุกข์ด้วยความโลภ ความเย่อหยิ่งถือดีความอิจฉาริษยาตอนนี้มีแต่คนอยากอพยพออกไปจากประเทศพม่าในขณะที่อัตมาเองกลับรู้สึกว่าที่นี่เป็นโอเอซิสกลางทะเลทรายจนหลายคนบอกอัตมาว่าเขารู้สึกสบายใจเมื่อได้มาที่วัดยิ่งนานวันผู้คนก็ต่างยิ่งหนุนกันและกันให้ก้าวร้าวรุนแรงขึ้นไปทุกทีเขาไม่เข้าใจหรอกว่า ความสุขมันไม่ได้อยู่ข้างนอกโนนหากเก็บกอดเอากิเลสไปด้วยทุกคนแห่งถึงอยู่ที่ใดก็เป็นทุกข์เรื่องบางอย่างดูจะผิดเสมอในทุกสถานการณ์แล้วผู้คนต่างก็ศาสตร์โคลนใส่กันฉันเป็นทุกข์เพราะความผิดของคนอื่นแปลกจริงๆที่เรายังไม่เคยเห็นความผิดของตัวเองสักทีตะวันรับฟ้าวันนี้ ช่างหลากสีสันเราพากันไปยืนชื่นชมจากยอดเนินแสงงามค่อยๆเปลี่ยนสีจากเหลืองนวลไปสู่สีแดงเจิดจ้าบางทีเราก็ลืมเลือนความงามของธรรมชาติไปเอาแต่หมกมุ่นกับปัญหาจนเรียกได้ว่าเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองโลกที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายตอนนี้เพิ่งจะเช้าตรู่ตะวันยังไม่มาเยือนแต่นก แย่งกันร้องเพลงแล้วมันคงรู้ว่าที่วัดนี้ปลอดภัยจึงยกขยงกันมาอยู่ด้วยอาตมา ก, ก็เลยได้เห็นได้ฟังมันทั้งวันและรักมันมากขึ้นทุกทีทุกทีชีวิตของพวกมันน่าจะยากลําบากไม่น้อยแต่ก็ยังเริงร่าเป็นอิสระอยู่ได้มันมีกันอยู่หลากหลายขนาดรูปร่างและสีสันเฝ้าดูอยู่นานแค่ไหนก็ไม่เคยนึกเบือ่อ คุณเคยอ่านบทกวี Water Ouse of ของจอ h n นมิล 1838-1914 ถึงนักธรรมชาติวิทยาชาวสกอตอเมริกันผู้มุ่งมั่นสนับสนุนการปกป้องรักษาป่าไม้ในอเมริกาบทกวี Water Ouse เป็นบทหนึ่งในหนังสือ The Mountains of California อัตมาเรียนอ่านหนังสือของจอ h n นมิล กลับไปกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าเล่มเดียวของเขาที่มีอยู่ก็คือ The Wilderness World of John Muir เขาช่างยิ่งใหญ่จริงๆไม่เคยสนใจความฟุ่มเฟือยใดๆไม่มีรถยนต์ใช้สักคันด้วยซ้ำเขารักธรรมชาติเป็นชีวิต จ, จิตใจเป็นหนึ่งในชาวอเมริกันที่อัตมาชื่นชมทุกๆเชา้าอัตมาจะออกบินทบาดไปตามถนนก็แค่ตามบ้านที่ใกล้วัดกว่าเพื่อน ประมาณเจ็ดหลังอาหารที่บินทบาดได้มามักจะเป็นผักมันฝรัง่งถั่วและข้าวบริมาณมากจนฉันไม่หมดอาหารส่วนใหญ่ปรุงขึ้นอย่างง่ายๆไม่ซับซ้อนจึงดีต่อสุขภาพอัตมาฉันมือเดียวยกเว้นตอนป่วยตอนนี้อากาศสบายไม่ค่อยร้อนนักการมีกุฏิอยู่ตามลำพังมีหนังสืออ่านมีจีวรและผ้าห่มเพียงพอให้อบอุ่น มียาและวิตามินช่วยรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอีกทั้งอัตมาแทบไม่ค่อยเดินทางไปไหนแค่ปีละครั้งกระมังและยังมีอุปถากคคอยจัดหาสิ่งที่ต้องการให้ซึ่งอัตมาก็ต้องการเพียงน้อยนิดจึงไม่มีเรื่องใดให้ต้องบน่นอันที่จริงหากจะเปรียบเทียบกับพระพิสุบางรูปก็พอจะพูดได้ว่าอัตมาร่ำรวยไม่ได้หมายถึงเงินทองหรอกนะ อาตมาไม่มีเงินเป็นของตนเองเพราะไม่มีความจำเป็นใดๆดีใจด้วยซ้ำที่ไม่ต้องยุ่งกับมันเสียได้การดำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากเงินทองมันทำให้ใจสบายกว่าอาตมาร่ำรวยเวลามีเวลาเหลือเฟือสำหรับการศึกษาและเจริญกรรมฐานไม่เคยต้องรีบร้อนอะไรอาตมาชอบอ่านบทกวีของเร็วกันได้กุเรีวกัน 1,758-1,831 กวีและพระเซนชาวญี่ปุ่นมีความสามารถทั้งการแต่งบทประพันธ์ร้อยแก้วและบทเพลงกวีท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ดิ้นรนไม่สนใจในพิธีกรรมทางศาสนาวางใจอยู่กับความบริสุทธิ์แห่งจิตและชีวิตเรียบง่ายท่านชอบชวนเด็กๆในหมู่บ้านเล่นเกมสมาธิงงๆกับท่านใช่ว่าไม่ปรารถนา จะคองแวะกับใครที่ไหนแต่การอยู่ลำพังกลับพบผลทางประเสริฐกว่ากระท่อมเหงาเหากว้างเท่าเสือสีผืนไร้ใครอื่นผ่านมาให้พบเห็นจับจ่าเพียงลำพังใต้หน้าต่างฟังเสียงใบไม้ปริเปริวทีละใบทีละใบในยามคำ่ำเชิญมาเยือนกระท่อมนี้บ้างมาฟังฝูงแมลงขับกล่อม แล้วจะพาชมท้องทุ่งแห่งใบไม้ร่วงเร็วกันชีวิตก็เรียบง่ายเพียงเท่านี้ทำไมคนเราจึงชอบสร้างเรื่องหนักใจใส่ตัวเองผู้คนต่างวุ่นวายกับภาระจนไม่เคยได้ยินเสียงนกร้องเพลงแม้แต่จะชื่นชมเสียงนกร้องเพลงก็ยังทำไม่เป็นอาตมาชมชอบเหล่านกไ พ, พรพฤกเมฆขาวชอบเดินออกกำลังกายในป่ากว้าง ชอบอ่านหนังสือธรรมะและเจริญสติแต่ไม่ชอบเทศเพราะฉะนั้นให้อภัยอาตมาเถิดที่ไม่สอนธรรมะใดๆให้คุณฟังอาตมาไม่เคยสนใจในลาบยศชื่อเสียงหรือความดังไม่เคยอยากเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เพียงใฝ่ฝันสูงสุดให้ได้มีชีวิตอย่างสงบเงียบเรียบง่ายและไร้คนรบกวนอาตมาจึงไม่เทศหรือบรรยายรม แต่หากใครอยากจะมาสนทนาธรรมกับตมาก็ยินดีต้อนรับเสมอแม้บางครั้งอาตมาจะแนะนำให้เขาไปเจริญกรรมาฐานกันบ้างแต่เขาก็ต้องไปหาศูนย์ปฏิบัติธรรมกันเอาเองเช้าตรู่แล้วฝูงนกเริ่มขับขานประสานเสียงมันต่างเริงร่ารอต้อนรับดวงตะวันและเช้า ว, วันใหม่ด้วยจิตดวงใหม่ที่สดใสแช่มชื่นมันไม่แบกเรื่องหนักใจหรือความสำนึกผิด ไม่ต่อจากวันหวานไม่สนใจจะ ก, กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงธรรมชาติช่างน่าอัศจรรย์มนุษย์เราสูญเสียความสัมพันธ์ฉันญาติสนิทมิตรสหายกับธรรมชาติมากขึ้นทุกทีแล้วกลับเลือกที่จะนั่งชมธรรมชาติจากทรทั์แทนอาตมาไปเดินเล่นในป่ากว้างฟังเสียงนกนานาพันทักทายขับกล่อมอยากจะเข้าไปอยู่ในป่าลึกๆกับพวกนก ฝูงกวางและนานาสัตว์กับลำนาวไพร์สายน้ำหมู่เมฆและฟ้ากว้างกับพายฝนและสายหมอกเมื่อครั้งที่อาตมาเคยอยู่ป่าอาตมามีเพื่อนเป็นฝูงกระต่ายกระลอกจิ้งจกจิ้งเหลนและนกยุงตัวหนึ่งอาตมาสบายดีได้เดินออกกำลังกายทุกวันสุขภาพจึงดีมีเรี่ยวมีแรง ใจิตใจของอาตมาผ่อนคลายลงได้มากหลังเดินออกกำลังกายที่นี่มีครบทุกสิ่งที่ต้องการอีกทั้งยังสงบสงัดไร้ความกังวลไร้ความห่วงใยแต่ละวันไม่แตกด่างจากวันวานแต่ละเดือนเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วปีหนึ่งจึงคล้ายไม่นานนักอาตมาได้แต่หวังว่าแต่ละวันที่แก่กตัวลงขอให้ชีวิตเป็นสุขสงบเพิ่มขึ้น เสียงไก่ป่าขันอยู่ไม่ไกลดีจริงที่ได้ยินเสียงมันอีกาป่าสีดำมาเมื่อคู่หนึ่งเพิ่งเข้ามาร่วมวงกับเรามันไม่กลัวอัตมามันพากันเข้ามาหาจนใกล้กาลังเอียงคอมองหน้าอัตมาอยู่ฝนตกติดต่อกันมาหกวันแล้วทุกอย่างยังคงสงบเงียบฝนขาดเม็ดช่วงไหนฝนขาดเม็ดช่วงไหน อัตมาก็ช่วยโอกาสออกไปเดินเล่นใกล้ๆที่จริงอยากจะไปเดินท้องป่าไ ก, กลๆให้ห่างจากหมู่คนทุกวันนี้ผู้คนล้วนวุ่นวายอัตมาก็พยายามจะช่วยยกจิตของพวกเขาให้สุขุมอ่อนโยนขึ้นเขาต่างเสียอารมณ์กับสถานการณ์ต่างๆในพมา่าดูราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังถูกไฟแห่งความโลภโกรธอิจฉาริษยาและมานะถือดี ลามเลียจนร้อนรุ่มอัตมาเพิ่งเห็นจิ้งเหลนตัวหนึ่งปลุดขึ้นต้นไม้ที่หน้ากุฏิข้างหลังกุฏิก็มีนกเขาขันทักทายยังอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตของอัตมาเพิ่มขึ้นอีกอย่างนั้นหรือเช้าตรู่ประมาณหกโมงคือเวลาที่อัตมาออกบินทบาศหลังจากนั้นก็ฉันวันละมือตอนราบเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึง่งแล้วก็ออกไปเดินเล่นสักพัก จากนั้นอัตมาก็มักลงนั่งชมนกชมไม้แล้วก็เจริญกรรมาฐานถ้ามีหนังสือดีๆก็จะใช้เวลาต่อจากช่วงนี้อ่านหนังสือบางทีก็มีผู้คนสักสองถึงสามคนมาสนทนาด้วยเรื่องคุยกว้างแค่ไหนก็มักจะจบลงด้วยการสนทนาธรรมช่วงบ่ายเป็นเวลาที่พิสุหนุ่มจากรัชฌาน รูปหนึ่งเพียรมาเล่าเรียนภาษาบาลีจากอัตมาตอนเย็นย่ำค่ำมืดอัตมาชอบไปเดินเล่นในป่ามันเงียบสงัดเมื่อห่างจากผู้คนมาได้จิตก็นิ่งและผ่อนคลายมีฝูงนกและร่มไม้ไ พ, รพร่พฤกเป็นเพื่อนที่แสนสงบวันใหม่ก็หาได้ต่างจากวันก่อ น, อนเรื่องเดียวที่อัตมาหมกมุ่นก็คือการอ่านหนังสือ เจ้าดูว่าวกำลังอวดเสียงหวานใสชวนให้เบิกบานและเป็นสุขชีวิตฉันคล้ายที่จำศินอันเสื่อมโทรมต่ำต้อยเรียบง่ายสงบสงดัดเร็วกันอาตมาอยู่นอกโลกอันยุ่งเหยิยงวุ่นวายอึกระทึกพวกคุณพึงระวังอย่าวุ่นวายกับธุระมากเกินไปนัก กิจกรรมที่ไม่จําเป็นทิ้งไปแล้วเหลือเวลาไว้ให้ตัวเองพักผ่อนและเจริญกรรมฐานบ้างอันที่จริงคนเราน่าจะหาเวลาว่างเข้ามาอยู่ในป่า ก, กันบ้างทุกๆครั้งที่ได้เข้าป่าอาตมาจะรู้สึกผ่อนคลายการอยู่ในสถานที่แออัดไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์และไม่เอื้อต่อสุขภาพเลยสักนิดคุณควรได้สัมผัสกับธรรมชาติกันบ้างอย่างน้อยควรปลีกเวลาหลบออกจากเมือง ขึ้นเขาหาอารามสักแห่งแล้วเจริญกรรมาฐานกันบ้างก็คงจะดีผู้คนคงจะเพี้ยนกันไปบ้างหรอกที่ต้องอยู่ในเมืองแออัดแบบนั้นพวกเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าทําอะไรกันอยู่บางคนเกิดที่นั่นจึงเคยชินที่จะอยู่อย่างนั้นบางคนก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะต้องทํางานที่นั่นเหมือนคุณไงละ่ะจําต้องอยู่ในนครใหญ่ๆทั้งๆที่ไม่ได้รักจะอยู่ ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดอัตมาก็มีโลกที่แตกต่างจากคนอื่นเสมอเพราะอัตมามีจิตใจที่แตกต่างอัตมาไม่ใส่ใจสิ่งที่คนทั่ ว, วไปให้ความสำคัญกันเช่นเงินทองความสนุกสนานเพลิดเพลินและขนบรรมเนียบประเพณีอัตมารู้สึกใกล้ชิดผูกพันกับหมูนกฝูงสัตว์ไ พ, พรพฤึกและเมฆขาวมากกว่า แต่ก็เข้าใจผู้คนและทุกของพวกเขาเขาล้วนแต่ตามืดบอดและหลงเดินไปบนทางผิดจนน่าสงสารไม่มีแม้แต่มุมเงียบๆในหัวใจมีแต่ความคิดความเห็นที่รับมาจากคนอื่นนับวันก็ยิ่งคล้ายหุ่นยนต์เข้าไปทุกทีทุกทีอตมาฝันอยากจะเห็นมนุษย์ที่ครบถ้วนทั้งปัญญาความตื่นรู้ความอ่อนไหวความรู้สึกไหว สามารถเรียนรู้และเติบโตได้ตลอดเวลาโดยไม่หลับหูหลับตาเชื่ออย่างขาดการไตร่ตรองอัตมาคงจะอยู่ป่ามานานเกินไปจึงรังเกียจชีวิตที่อึกระทึกโศโครกด้วยมลภาวะคล่าคล่ำด้วยคนโรคเตือนให้อัตมาระลึกถึงบทกวีที่เคยอ่านตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มลาก่อนโลกที่แสนญิ่งยโสฉันจะกลับบ้านแล้ว อัตมาชอบฉันผักสดและถั่วที่ปรุงขึ้นอย่างง่ายๆมากทีเดียวนานมาแล้วที่อัตมาเริ่มสังเกตได้ว่าหากไม่ได้ฉันผักและถั่วอัตมาจะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายและถ้าฉันเนื้อสัตว์มากเกินไปก็จะล้มป่วยอาหารเสริมวิตามินและเกลือแร่ก็ช่วยให้ย่อยอาหารดีขึ้นหากไม่กินผักให้มากเข้าไว้คุณจะพร่องวิตามินกับเกลือแร่ส่งผลให้เหนื่อยง่าย อาหารไม่ย่อยโลหิตจางที่จริงอัตมาอยากจะฉันเข้ากล้องแต่คนที่นี่กินกันแต่ข้าวขาวซึ่งไม่ให้ประโยชน์อื่นใดนอกจากแป้งปีนี้อัตมาตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่แม้จะร้อนหน่อยแต่ก็เงียบสงบดีผู้คนที่นี่ต่างก็กล่าวว่าเขารู้สึกสุขสงบอย่ามที่ได้มาวัดปล่อยให้กายร้อนไปเถอะ ตราบเท่าที่ใจเราเย็นสบายเจ้านกกลางเขนเพลินเกาะกิ่งไม้ขับขานบทเพลงฉันนั่งมองตะวันลับหายคิดถึงเธอไม่ไวายยามข้ามแห่งคิมหันฤดูชีวิตเราสองช่างแตกต่างหากยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งยังคงเหมือนกันแปลกที่เราพบกันเป็นความทรงจำจวบถึงวันที่ตายจากกัน ดวงใจที่พร้อมเอื้อมโอบอิงแอบดวงใจอีกดวงใหญ่ต้องหวาดกลัวมากนักดุริยางแห่งส ก, กุนาและริ่งรีเลไรจะมีดนตรีใดไพเราะไปกว่านี้เล่าใครเข้าใจชีวิตจิตใจของพิสุรุ่มนี้ได้บ้างนะตะวันใกล้ลาลับแล้วอาตมาอย่างนั่งอยู่ข้างกอไผ่ ไร่จดหมายฉบับนี้ถึงคุณจะสาริกากูร้องหากันอยู่ไม่ไกลมันคงเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในวันนี้น่าจะเป็นวันที่โหดร้ายสำหรับมันอยู่หรอกเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างอ้าวแต่โรคที่เราอยู่มันก็ยังงดงามหารรัสจันทร์อัตมาล้มป่วยด้วยอาการคออักเสบมาสักสัปดาห์หนึ่งแล้วอากาศเริ่มเย็นลงมากหมู่ไม้เริ่มทิ้งใบ หลังจากห้าสัปดาห์ที่ต้องเดินทางรอนแรมและพบปะพูดคุยกับผู้คนมากมายอัตมาจึงดีใจที่ได้หวนคืนกลับมาสู่ความเงียบสงัดตามลำพังอีกครั้งคนทั่วไปล้วนแต่ขาดสติขาดความมั่นคงความแน่นอนและขาดแคลนข้อมูลพาให้เหน็ดเหนื่อยจริงๆอัตมามีธุระวุ่นพอควนตลอดเดือนที่ผ่านมา ต้องสนทนาแลกเปลี่ยนโต้อตอบและไขปัญหากับพระพิสุและผู้มาเยือนทั้งพระและคารวะที่มาเยือนต่างรุมถามปัญหาปาปนปะหนึ่งว่าอัตมามีคาตอบให้ได้ทุกเรื่องก็ตอบเข้าไปเท่าที่จะตอบได้และก็รู้สึกดีใจที่มากมายหลายคนสนใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายจริงจังๆๆเหตุผลข้อหนึ่งที่ทาให้อัตมารู้สึกสงบ ยามอยู่ที่นี่ก็คือที่นี่ไม่มีองค์กรบริหารไม่มีคณะกรรมการคุณคิดหรือว่าผู้คนจะทำงานด้วยกันได้อย่างกลมเกลียวปรองดองอัตมาไม่เคยคิดและยังไม่เคยเห็นองค์กรของสงแห่งใดที่ปรองดองกันเลยดังนั้นอัตมาจึงมีคำขวัญว่าหากต้องการความสงบเพิ่งอยู่ให้ห่างองค์กรบริหารจัดการ ซึ่งก็หมายความว่าอัตมาไม่ประสงค์จะกลับมาสหารัฐอเมริกาตามคํานิมนต์ขององค์กรใดทั้งนั้นเพราะชีวิตที่นี่ช่างเงียบสงบบางครั้งอัตมาก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทําอะไรดีกับเวลาที่มีอยู่อย่างเหลือเฟืออัตมาเลือกเขียนจดหมายถึงผองเพื่อนบ้างอ่านหนังสือบ้างจเจริญกรรมาฐานบ้างแต่เมื่อไม่มีเรื่องสลักสําคัญหรือจริงจังอะไรมาเล่าสู่กันฟัง การจะเขียนจดหมายขึ้นซักฉบับก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดที่คุณถามว่าสยาดอขอรับท่านคิดว่ากระผมจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับธรรมชาติได้จริงๆหรือได้สิหากคุณต้องการจริงๆแต่ช่วงเวลาการปรับตัวก็สำคัญมากเพราะมันไม่ง่ายเลยจากที่เคยชินกับชีวิตวุ่นวายคุณก็อาจตัดสินใจไม่ถูก ว่าจะทำอะไรกับเวลาที่มีเหลือเฟือและก็อาจรู้สึกว่าการไม่ทำอะไรเลยเป็นการใช้ชีวิตอย่างไร้ประโยชน์คุณอาจกังวลว่าคุณเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าที่ปลีกตัวมาใช้ชีวิตสงบเงียบเรียบง่ายแบบนี้ในขณะที่โลกทั้งโลกกำลังปันป่วนด้วยความทุกข์นั่นก็อาจเป็นเพราะว่าคุณคิดว่าอย่างไรเสีย คุณก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อโลกใบนี้มันจึงไม่ง่ายเลยที่จะมาใช้ชีวิตอยู่เฉยๆนิ่งๆเป็นคนธรรมดารรมดาที่ไม่มีคุณค่าไม่มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะสำหรับคุณคุณจะรู้สึกผิดอย่างยิ่งหากไม่ได้เป็นถูกโลกฉันสดใสเป็นสีเขียวเหลียวมองทางไหนก็ประจักษ์โลกนี้ดูงดงามนักฉันดื่มด่าถล้ำรักโลกไปแล้ว อาตมาเคยทำอะไรดีไว้บ้างนะจึงสุขสงบได้ปานนี้หลายๆลายคนเข้าใจว่าพระพิสุไม่ควรจะรักอะไรเลยควรจะหลุดพ้นจากความหลงไหลได้ปลื้มในสิ่งทั้งปวงอาตมาไม่เสียใจหรอกที่จะยืนยันว่าอาตมาไม่ได้หลุดพ้นจากความหลงไหลในสิ่งทั้งปวงอาตมายังรักและชื่นชมหลายต่อหลายสิ่งในชีวิต แล้วรู้สึกยินดีที่มีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองจริงอยู่มันก็มีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตนี้เหมือนกันแต่นั่นก็ไม่เห็นจะเป็นไรเราเพิ่งจะทำเพดานกุฏิของอัตมาเสร็จฝีมือดีมากจนดูเนียนเรียบเหมือนย้ายเอาพื้นห้องขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นเลยเราใช้ไม้สักคุณภาพดีจะได้อยู่ยืนยาวไปอีกนาน เพดานี่ช่วยให้ห้องเย็นสบายขึ้นและหนุกหูน้อยลงยามฝนตกกระทบหลังคาอาตมาชอบมากทีเดียวตั้งใจจะปล่อยไว้อย่างนี้โดยไม่ทาสีสีธรรมชาติกระลวดลายเนื้อไม้ช่างสวยงามและน่าสนใจกว่าแผ่นไม้กระดานทาสีขาวเรียบๆตั้งมากมายอาตมาเริ่มจะเป็นไดกุคนโง่เ ง, ง่าเตาตุน เพราะลืมเลือนสิ่งที่เคยอ่านจากดำรับดาราไปมากขึ้นทุกทีหันมาสนใจตามดูและเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตคือหนังสือดีที่สุดที่อัตมามีอยู่นับวันหัวใจของอัตมาจะยิ่งเรียบง่ายและเปิดกว้างอัตมาจะไม่เทศนาบรรยายทำรใดๆใช่ต้นไม้ไพรพฤกเป็นทั้งเพื่อนสหายและครูบาอาจารย์ของอัตมา อาตมาอยู่กับมันมานานและรักมันจนดื่มดำที่นี่ช่างเงียบสงบแม้ว่าปีนี้ฝนจะตกชุบจนเจ้าสระน้อยใกล้กุฏิของอาตมามีน้ำปริ่มเต็มวันนี้แดดดีทุกอย่างงดงามอยากให้พวกคุณได้มาเห็นเหลือกเกินอากาศเริ่มเย็นลงแล้วมีหมอกชื้นในตอนข้ามกยามเช้าตรู่จันงามกระจ่างตา เสียงเจ้านกกลางคืนเคาะมาอยู่ต๊อกต็อกตอกต๊อกด็อกผสานเสียงหมาเห่าหอนในหมู่บ้านไกลออกไปอัตมารักธรรมชาติเหลือเกินอัตมายังคงนั่งอยู่ใกล้กองผ้า้างกุฏิบนเก้าอี้แสนสบายตัวเก่าตอนนี้คงจะราวบ่ายสองโมงอากาศเย็นลงเรื่อยลมเหนือโบอกโบยมาแล้วส่วนฝนก็กล่าวคาอำลาฟ้าใสเป็นสีฟ้าแท้ ได้ยินเสียงกระดิ่งคอวัวแววแววเจ้านกนักร้องก็คุยกันเียงแซ่ทายออกไม่ว่าเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดมาจากไหนเสียงลมโชยแทรกผ่านหมู่แมกไม้อย่างไรละ่ะอัตมาใช้ชีวิตอยู่กับแมกไม้ฝูงนกหมู่เมฆฟ้ากว้างอารุณเบิกฟ้าตะวันชิงพลบมูดาวรายล้อมดวงเดือนโลกนี้ช่างมหัศจรรย์เงียบสงบ และงดงามยิ่งนักอัตมาใช้ชีวิตอยู่กับบทกวีอูทุนเซนมาที่นี่เป็นประจำมีเขากล้องมาฝากทุกวันทุกอย่างที่นี่แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงราวกับการเวลาคือภาพมายาอัตมาอยู่ที่นี่อย่างเงียบสงดและสงบนิ่งแต่มันหาใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่และหาใช่ผลของกรรมดีหากแต่อัตมา ต้องเพียรพยายามอย่างหนักเพื่อจะได้มาอัตมาเลือกแล้วที่จะอยู่อย่างสงบเงียบและทุกๆวันที่ผ่านไปอัตมาก็ดำรงเจตนาที่จะอยู่อย่างสงบเงียบมันจึงจะเป็นทางเลือกที่หนักแน่นมั่นคงได้อาศัยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและการละลดปลดวางลงให้ได้จึงจะสำเร็จจะเหยียบเรือสองแคมคงไม่ได้แน่ อัตมาพบสถานที่แห่งนั้นแล้วที่นี่มีแต่สันติสุขไร้ประเทศไร้เชื้อชาติไร้รัฐบาลไร้ศาสนาไร้การวิพากษ์วิจารณ์ปัดสินอัตมาไปเยี่ยมที่นั่นบ่อยๆสักวันหนึ่งก็คงจะได้ไปอยู่ที่นั่นตลอดกาลแวววเสียงกอไผ่กระซิบแผ่วผู้ที่ไม่ต้องพึ่งพาถ้อยคำก็เข้าใจความหมายได้ยอมเข้าใจความหมายนั้นได้ฟังสิ อาตมาเพิ่งกลับจากไปเยือนเมืองซอซอตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของจังหวัดมาเกลซึ่งอยู่ทางด้านเหนือใกล้ชายแดนรัชชินพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมาเกลเป็นที่ราบมิดทิวเขาอยู่เพียงบางแห่งรัชชินตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาตะวันตกของพมา่าชนแดนกับบังคลาเทศและอินเดีย เมืองซอตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบนี้ซึ่งสูงถึง3 5 3เมตรเข้าใจว่าบริเวณที่ผู้ประพันธ์กล่าวถึงน่าจะอยู่แถบนี้บนเทือกเขาชินอัตมาพบเห็นโลกที่แตกต่างมามากพบผู้คนที่ล้วนดำรงชีวิตแตกต่างกันไปด้วยค่านิยมที่แตกต่างกันชาวบ้านที่นั่นมีเพียงสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ก็อยู่อย่างมีความสุขไร้ปัญหาทางจิตใจขุนเขาอาขุนเขาช่างยิ่งใหญ่บ่งบอกความหมายที่ลึกล้ำแก่อัตมาสักวันอัตมาจะกลับขึ้นภูเขาอีกครั้งแล้วอยู่ให้นานกว่านี้ผู้คนในมหานครใหญ่ทันสมัยล้วนแต่ใกล้บ้าจอนมิลกล่าวไว้เมื่อร้อยปีก่อนและอัตมาก็เห็นด้วยกับเขา ยังมีเรื่องของขุนเขาที่อยากเล่าให้ฟังมากมายแต่ไม่มีเวลาสินแล้วเอาเถอะวันหลังจะเล่าเรื่องการเดินทางสู่ขุนเขาของอัตมาให้ฟังอีกยิ่งนานวันอัตมาก็ยิ่งหลงรักวิถีชีวิตพอเพียงแล้วเรียบง่ายยังมีอะไรที่เราต้องการไปกว่านี้อีกหรือหลายเดือนที่ผ่านมาอัตมาจะค่อนข้างมีธุระวุ่นวายหวังว่าจะได้คืนถิ่นสักทีเร็วๆนี้ ที่นั่นเท่านั้นที่ชีวิตจะสงบลงได้ชีวิตที่วุ่นวายตลอดเวลาไม่น่าพิสมัยเลยไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดเราพกพาความเคยชินในใจไปด้วยเสมอความสุขเป็นของเรียบง่ายแค่หยุดพยายามจะเป็นสุขก็สุขได้สุขที่แท้จริงสร้างไม่ได้ประกอบขึ้นก็ไม่ได้จะถือครองก็ไม่ได้ทำไมอัตมาจึงเป็นสุขได้ขนาดนี้นะ เห็นไหมแม้ใตยามที่เราเป็นสุขเราก็ยังอยากรู้เหตุผลที่เป็นสุขจิตใจของเราเป็นเช่นนี้แหละมองหาเหตุผลอยู่ร่าไปอัตมาร้ยความทะเยอทะยานอยากจะได้ในสิ่งใดๆดอีกแล้วจิตใจสงบเยือกเย็นเปี่ยมด้วยเมตตารักและปานาีสหายรักอัตมาอยากแบ่งปันสิ่งดีๆทุกอย่างที่มีอยู่ให้พวกคุณด้วย อัตมาไม่เคยคิดจะบีบบังคับตัวเองให้ทำอะไรปล่อยธรรมชาติของตัวเองให้ลื่นไหลไปตามคันลองของมันแล้วก็พบว่ามันไหลไปในทางที่ถูกต้องเสมอทางที่อัตมาเลือกเดินมันช่างเข้ากับธรรมชาติของอัตมาจริงๆ